ี่ทจงรู้จักโอนอ่อนผนตามในวงเล็บหรือให้เขาได้รับความต้องการของเขาเองก่อนอื่นโปรดทราบว่าในบางโอกาสคนเราแต่ละคนย่อมเคารพความคิดความเห็นของตนเห็นว่าสำคัญยิ่งกว่าความคิดเห็นของใครๆทั้งหมดคนที่กำลังร้องไห้เป็นวักเป็นเวนเขากำลังเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าการร้องไห้ การกินการนอนการเล่าการเรียนอะไรๆก็สู้ร้องไห้ไม่ได้จึงได้ตัดสินใจร้องไห้โฮโฮโดยไม่ต้องกระดกักอายผู้ใดคนที่กำลังโกรธจัดเขากำลังเห็นว่าไม่มีงานใดดียิ่งไปกว่าโกรธจึงได้ตัดสินใจแสดงท่ายักษ์ท่ามานอย่างไม่ต้องห่วงใยกับใครแม้กลางถนนหนทางคนที่กำลังอยากได้อะไรเขาก็กำลังเห็นว่า การได้มาซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมความว่าในบางขณะใจของคนพุ่งดิ่งลงไปสู่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแรงมากอาการอย่างนี้เรียกว่าความต้องการของใจเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในอาการอย่างนี้เราจะต้องรู้จก oh, on, ักโอนอ่อนผ่อนตามคือผ่านเข้าไปหาความต้องการของเขาก่อน แล้วจึงค่อยกระตุกเหนี่ยวเข้าหาแนวทางที่เราต้องการอย่าขวางทันทีจะทำให้เขาเห็นเป็นศัตรูการผ่อนตามนั้นย่อมจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นพวกเดียวกันกับเขาแล้วเกิดความไว้วางใจและยอมรับฟังความคิดเห็นเมื่อพศสองพั 91, รเบเข้าพเจ้าเป็นอนุศาสนาจารย์ประจำกองผลที่สองจังหวัดปราจีนบุรี ที่นั่นข้าพเจ้าใกล้ชิดกับทหารมากโดยเฉพาะพวกพลทหารข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจจากเขาเป็นพิเศษวันหนึ่งข้าพเจ้ากําลังรอรถไฟอยู่ที่สถานีจะเดินทางมากรุงเทพมีพลทหารสามคนเข้ามาหาข้าพเจ้าและพูดอย่างกระซิบกระซาบว่าเขาจะขอลานีราชการทหารแทนที่ข้าพเจ้าจะเอะอะขึ้น ข้าพเจ้าที้เกิดซิปกับเขาด้วยเหมือนกันเพราะเขาเห็นว่าเรื่องนั้นลับสำคัญมากข้าพเจ้าจะต้องทำให้เห็นว่าเรื่องนั้นลับสำคัญจริงๆเมื่อเขาบอกว่าจะหนีข้าพเจ้าพูดกับเขาว่าเรื่องนี้ทหารเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนจงพยายามอย่างที่สุดอย่าให้เขาจับได้ไม่อย่างนั้นจะพากันลาบาก พวกเราได้วางแผนดีแล้วหรือเพียงเท่านี้ทั้งสามคนก็วางใจขอให้ข้าพเจ้าช่วยแนะหรือวางแผนให้นี่คือชัยชนะขั้นแรกข้าพเจ้าบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากนี่อาจารย์กำลังจะไปธุระที่กรุงเทพสามวันจะกลับเมื่อกลับมาแล้วให้ไปพบที่บ้านทุกคนตกลงจะรอคือเลื่อนวันหนีแล้วข้าพเจ้าก็สั่ง สำทับว่าในระยะสามวันนี้ทุกคนจงปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดระเบียบวินัยอย่าให้บกพร่องอย่าให้ใครจับพิรุษได้เป็นอันขาดแล้วข้าพเจ้าก็เดินทางเข้ากรุงเทพสาวันต่อมาข้าพเจ้ากลับจากธุระพลทหารทั้ง3ามไปหาข้าพเจ้าที่บ้านข้าพเจ้ายังคงแสดงตัวเป็นผู้อำนวยการหลบหนีให้เขาทั้งสามอย่างเต็มที่แต่เป็นการกระทําโดยลดหย่อน ผ่อนตามคิดยังไงจึงจะหนีข้าพเจ้าถามขึ้นกินข้าวไม่ลงอาหารเลวมากเขาบอกมีเหตุอะไรอีกไหมนอกจากนี้ไม่มีครับพวกเธอคิดถูกคนเรารักชีวิตจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะการกินเมื่อกินไม่ได้ก็ต้องคิดหนีผ่อนตามและผลคือ ผู้คิดทั้งสคนคลายความกังวลลงมาสังเกตได้จากสีหน้าอ้อแล้วพวกเราที่กองร้อยมีใครจะหนีอีกบ้างเป็นการเริ่มดึงเข้าสู่จุดหมายชั้นที่สองไอ้พวกนั้นมันไม่ค่อยคิดกันครับเป็นไปไม่ได้คนเราท้องไม่อิ่มมันก็ต้องคิดเรากับเขาก็กินข้าวกระทะเดียวกันอาจารย์รู้หรอกว่าพวกนั้นจะเอาเด่น ขเขาสูงมากว่าแล้วก็นั่งคิดด้วยความวิตกกังวลเล่นเอาทั้งสามคนชักสงสัยแต่ข้าพเจ้าเริ่มโจมตีความรู้สึกของเขาเป็นทหารเกิดมาชาติหนึ่งก็เป็นเพียงปีสองปีคนทั้งเมืองเป็นกันมาไม่รู้เกี่ยรุ่นเกี่รุ่นแล้วเขาก็อยู่กันได้เพื่อชาติเพื่อศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายถ้าเราหนีทหารเพราะกินข้าไม่อิ่ม ก็เท่ากับว่าเราทิ้งชาติเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องขายหน้าแม้หนีรอดไปแล้วจะไปบอกคู่รักว่าพี่กินข้าไม่อิ่มเลยหนีทหารเขาก็คงกระดากใจที่ได้ผู้ชายอย่างเราเป็นคู่รักไม่เหมือนคู่รักคนอื่นที่ได้รับการปลดออกไปอย่างมีเกียรติเดินกลับถึงบ้านอย่างสง่ามีแต่ใครๆมาเยี่ยมถึงเรามีลูกต่อไปถ้าลูก รู้ว่าพ่อหนีทหารเพราะกินข้าวไม่อิ่มเขาก็แยกอีกตกลงว่าเราอยากอิ่มท้องแต่ทำให้พ่อแม่พี่น้องลูกเมียไม่ได้รับความอิ่มใจหรือใครจะเห็นว่ายังไงนั่นสิครับพวกเขาตอบและเท่ากับยกธงขาวแล้วอาจารย์คิดว่าไม่หนีจะดีกว่ากระมังนั่นสิครับนึกนึกก็ไม่น่าจะหนีตกลงอยู่ต่อไปนะค่อยคิดแก้ไขกันใหม่ ทุกคนตกลงเขากลายเป็นคนทุ่มเททุกอย่างเพื่อเป็นทหารที่ดีทั้งสเข้ามากราบข้าพเจ้าอีกครั้งตอนจะเดินทางกลับภูมิลาเนาหลังจากได้รับการปลดปล่อยเป็นทางการและหลังจากนั้นวันดีคืนดีข้าพเจ้ายังได้รับจดหมายจากเขาอีกที่เล่ามานี้แสดงถึงการโอนอ่อนผ่อนตามซึ่งหมายถึงว่าเราผ่อนไปหาเขา เพื่อจูงเขาเข้าสู่ทางที่ถูกในกรณีนี้ถ้าข้าพเจ้าจะตอกหน้าเขาจังจงตอนพบกันครั้งแรกยกกฎหมายขึ้นมาอ้างยกตารางขึ้นขู่ให้เขาเลิกหนีทหารคงไร้ผลโดยทำนองเดียวกันถ้าคนกำลังโกรธแล้วว่าจะห้ามโกรธเขาแทนที่จะตั้งตัวเป็นผู้วิเศษเทศนาป่าวปาวอันว่าความโกรธไม่ดีแล ผู้โกรธจะตกนรกอเวจีจะตายไปเกิดเป็นกิ้งกือห้ารชาติเหลวพลาดท่าพ่อจะหันมาโกรธเอาผู้ห้ามเสียด้วยแต่ถ้าใช้วิธีผ่อนตามท่านจะต้องสนใจกับเรื่องที่เขาโกรธและเป็นพวกเขาก่อนสมมติว่าแม้เด็กเกิดเมื่อวานนี้แท้มันมาด่าได้ไม่เห็นเลือดมันข้าไม่ยอมคนกำลังโกรธจัด ว่ามาอย่างนี้แล้วท่านจะระงับความโกรธของเขาจะทาอย่างไรถ้าท่านขวางเรือก็มีหวังเรือล่มโดยวิธีโอนอ่อนผ่อนตามพอเขาแสดงขึ้นมาอย่างนี้ท่านก็จะต้องแสดงโกรธกับเขาด้วยและก็ควรจะโกรธมากกว่าเขาเสียด้วยเพื่อให้เขารู้สึกเบาใจลงเพราะได้เราเป็นผู้โกรธแทนวิธีการก็น่าจะเป็นว่าไอเด็กเมื่อวานนี้ มันด่าได้เขาหรอน้อยมันกำแหงถึงอย่างนั้นเชียวหรือเรื่องราวมันเป็นยังไงกันนะเราผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมันมาด่าได้เราไม่ได้ว่าอะไรเลยน้อยมาด่าได้คนพันอย่างนี้คุณไม่ต้องมันต้องผมเองเกิดมายังไม่เคยพบเคยเห็นเขาพูดปรับทุกข์ซึ่ง บ่งถึงอาการโกรธคลายลงบ้างแล้วแต่ว่าเริ่มฉุดเข้าทางไอ้เราจะฆ่ามันก็ตายเปล่าแล้วเราก็เสียเปล่าไม่ได้ไม่ดีอะไรก็นั่นแล้วสิเริ่มยกทงข่าวอีกแล้วโดยทํานองเดียวกันนี้ถ้าท่านจะห้ามคนกําลังเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เราก็จะต้องแสดงความโศกเศร้าเสียใจด้วย อาจต้องถึงกับร้องไห้ถ้าจําเป็นและทําได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่ในอาการเช่นเดียวกับเขาและหนักกว่านั้นอย่าลืมว่าถ้าเราจะช่วยคนตกน้ําเราจะต้องก้มตัวลงไปหาเขาไม่ใช่ยืนตรงและในกรณีจําเป็นและทําได้เราอาจต้องถอดเสื้อกระโดดลงไปอยู่ในน้ํากับเขาจึงจะช่วยเขาได้ข้าพเจ้าใครจะย้าว่า ในการโต้แยง้งการโต้วาทีและการต่อรองหรือเจราจาตกลงตั้งแต่เรื่องเล็กที่สุดคือเรื่องภายในครอบครัวหรือระหว่างเพื่อนฝูงจนถึงเรื่องใหญ่ที่สุดระหว่างประเทศชาติวิธีการโอนอ่อนผ่อนตามมีประโยชน์มากเราจงยอมรับนับถือว่าข้อเสนอของเขาสำคัญมากแล้วจึงค่อยแสดงให้เห็นว่าข้อโต้แย้งของเรากลับสำคัญกว่า เราจงยอมรับว่าคำขอร้องของเขาสำคัญกว่าเชิงการต่อสู้แบบนี้เรียกว่าทำให้ดาบเขาเองบาดมือเขาเองและให้เขาได้รับความต้องการของเขาเองมิตรภาพยังคงอยู่พระพุทธองค์ทรงพบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงในการกลับใจของพวกชนินตั้งพันนักบูชาไฟที่ริมฝั่งแม่น้ำขยา และนำมาเป็นสาวกของพระองค์อย่างง่ายดายด้วยการแสดงอาทิตตปริยายสูตรพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องไฟก็เป็นวิธีโอนอ่อนผ่อนตามดังกล่าวแล้ววิธีที่สจงยกความเป็นใหญ่ให้เขาในวงเล็บหรือให้ตัวเขาใช้ตัวเขาเองคนเรามีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคืออยากเป็นใหญ่ อยากเป็นเจ้าของความคิดอยากเป็นเจ้าของแผนการบางทีถึงกลับไปอ้างเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะติดต่อขอร้องให้เขาช่วยเหลือตามโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องหาทางให้เขาได้เป็นเจ้าของโครงการนั้นร่วมด้วยคือขอความคิดเห็นจากเขาและยอมรับว่าความคิดเห็นนั้นทำให้กิจการเรื่องนั้นดีขึ้นมาก ทุกคนจะรู้สึกภาคภูมิใจไม่ได้มีผู้ใดก็ตามมายอมรับความคิดเห็นของเขาไปดำเนินการและจะคอยติดตามให้ความสนับสนุนตลอดไปเพื่ออวดว่าความคิดของตนที่ให้ไปนั้นวิเศษจริงแต่ใครเล่าจะชอบหน้าคนที่บทขยี้ความคิดความเห็นของเขาเสียมีแต่เชิดความคิดของตนขึ้นให้คนอื่นทำตาม พระสันดานของมนุษย์อยากจะเป็นนายมากกว่าอยากจะเป็นลูกน้องนายสิบผู้น้อยคนหนึ่งอยากจะไปรบที่ประเทศเกาหลีแต่ด้วยความไม่ฉลาดแกอาจไปขอร้องกับท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งว่ากระผมจะไปเกาหลีขอท่านกรุณาเสนอชื่อให้ไปด้วยนี่คือการเอาความคิดเห็นของตัวเองไปใช้ผู้ใหญ่ให้ทำให้ความรู้สึกของผู้ถูกขอร้องก็จะมีว่า เขามาใช้น้อยเห็นเขาเป็นขี้ค้าไปได้ตกลงว่าแม้จะเสนอให้ได้ไปจริงก็ทําไปอย่างนั้นนายสิบคนนั้นไม่สามารถครองใจไว้ได้ในกรณีเดียวกันนี้ถ้านายสิบผู้นั้นเป็นคนฉลาดยกความเป็นใหญ่ให้ท่านผู้นั้นเขาจะต้องพูดว่ากระผมอยากจะไปเกาหลีจึงมาขอความกรุณาแนะนาจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ไป นี่เรียกว่ายกให้ท่านเป็นผู้ใหญ่ในวิธีที่จะทำให้เราได้ไปความรู้สึกของท่านจะภาคภูมิว่าที่ฟังประโยคแรกและจะตอบไปว่ายากอยู่แต่ก็เห็นจะมีทางช่วยกันได้จะต้องแล้วท่านก็จะเอาไปเป็นธุระให้ความช่วยเหลือเพราะวิธีการนั้นเป็นของท่านเองใครเล่าที่อยากจะขายหน้าเด็กกว่า เห็นการใช้ไม่ได้แม้ทำตัวเป็นเกลียวก็ไม่เกลยดคนที่ใช้ให้ทำฝ่ายผู้ใหญ่จะมอบงานแก่ผู้น้อยก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าที่ถนนเข้าสำนักงานมีหลุมอยู่หลุมหนึ่งเป็นโคลนเละถ้าท่านจะสั่งพานโรงว่านี่แกไปขนเอาดินทางด้านหลังกรมมากรบทีนะให้เสร็จก่อนเที่ยงวันนี้นะผลจะปรากฏว่า นายพานรงคนนั้นจะเกิดความรู้สึกว่าแห้ใช้อีกแล้วเห็นเราเป็นพานรงแล้วก็ไปขนดินมาถมมาถมให้เต็มตามคําสั่งอาจจะเอากิ่งไม้หรือหญ้าแห้งรองไว้ข้างล่างแยะแย่แล้วเอาดินกลบพอให้นายเห็นว่าได้ทําตามคําสั่งแล้วก็เป็นเสร็จงานไปได้ไม่เท่าไหร่ก็แล้วเป็นโคลอนอีกและแกก็คิดว่าสร้างมัน ความคิดของนายเราไม่ดีเองแล้วก็นอนดูโคลนและคอยรับคำสั่งต่อไปที่แกเกิดความรู้สึกอย่างนี้เพราะแกไม่ได้รับเป็นใหญ่ในงานทีนี้ถ้าท่านผู้มอบงานจะเปลี่ยนวิธีสียใหม่นิดเดียวคือยกให้เขาเป็นใหญ่เป็นเจ้าของความคิดเป็นผู้วางแผนเช่นทำเป็นปลารบขอความเห็นตีเสียว่าพันโรงคนนั้นชื่อนายแดงก็พูดว่า นี่นายแดงฉันเบื่อขี้โคลนตรงนี้เหลือเกินใครมาก็เลอะขายหน้าเขาทั้งกรมเลยเราจะมีวิธียังไงเอาชนะกับมันสักทีนะเพียงเท่านี้คุณแดงก็จะใจผ่องเท่าลูกแตงโมในฐานะเป็นที่ปรึกษาของท่านอธิบดีแกจะเสนอว่าจะต้องไปขนเอาดินทางหลังกรมมากลบครับซึ่งข้อเสนอของแกก็วิธีเดียวกับที่นายสั่งในวงเล็บ ในตัวอย่างแรกนั่นเองแต่เมื่อแกได้ออกความเห็นแล้วท่านอธิบดีแทนที่จะสั่งใช้แกทำก็เพียงแต่อนุ ม, มัติให้แกทำเท่านั้นกำลังใจของแกจะมาตั้งกระบุงทำไม่เหนื่อยและทำอย่างดีเสียด้วยเพื่อที่จะอวดท่านอธิบดีว่าความคิดของตนใช้การได้เหนื่อยกับตายแต่ก็ยังนึกรักท่านอธิบดีแหมเจ้านายอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้ว และแล้วแกจะถือว่าขี้โคลนหลุมนั้นเป็นธุระของแกไปตลอดขืนปูดขึ้นมาเมื่อไหร่พ่อจะต้องเล่นงานทีเดียวพลาดท่าอาจต้องเที่ยวหาหินมาลงซ้ำอีกก็ได้โดยวิธีนี้จงจำไว้ว่าให้ตัวเขาใช้ตัวเขาเองวิธีที่สจงมอบงานให้เหมาะสมกับจริตในวงเล็บหรือให้เขาได้เล่นกับตัวเขาเอง การมอบงานให้คนอื่นทําเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรสนใจและต้องกระทําสืบเนื่องมาจากการสังเกตจริตคือเมื่อทราบจริตของคนอื่นแล้วจึงจะทําได้สมมุติว่าผู้บังคับบัญชาที่มีคนอยู่ในบังคับบัญชาหลายคนเมื่อมีงานเกิดขึ้นจะมอบให้ใครทําจะต้องพิจารณาว่างานที่จะทํานั้นเหมาะ ก, กับคนจริตอย่างใดเช่น การตกแต่งประดิษฐ์ให้สวยงามเหมาะกับคนราคาจริตการบุกเบิกกวาดล้างปลาเหมาะกับคนโทสัจริตงานที่ไม่มีทางที่จะต้องใช้ปฏิพานอะไรเลยเพียงนั่งเฝ้านอนเฝ้าพอที่คนโมหัจริตจะทำได้ดังนี้เป็นต้นแล้วก็เลือกดูว่าในบรรดาคนที่จะรับงานนั้นใครมีจริตทางไหนก็บอกให้ตรงกับจริต คนที่ได้รับงานตรงกับจริตของตนเขาจะทำด้วยความภาคภูมิใจอย่างที่ว่าไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักหิวในคราวแสดงปากฐกถาเรื่องจิตข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างนายทหารคนหนึ่งเป็นผู้คุ้นเคยสนิทกับข้าพเจ้าครั้งหนึ่งท่านผู้บังคับบัญชาได้มอบงานให้ทำเป็นงานตกแต่งสถานที่ซึ่งเหมาะกับจริตยิ่งนักสังเกตรเรียกว่า ขอพอใจมากทำงานเกือบเป็นเกือบตายก็ยังไม่ไวายชมท่านผู้ใช้ให้ทำทั้งนี้ก็เพราะว่าตามปกติใจของคนจะต้องแสบไปตามจริตของตนอยู่แล้วเมื่อมีผู้สนับสนุนคือมอบให้ทางานอย่างนั้นเสียเลยใจก็จะรู้สึกเพลิดเพลินเหมือนปลาที่ถูกปล่อยลงน้ำหรือกระต่ายที่ถูกปล่อยเข้าป่าอย่างนั้นแหละในกรณีที่ไม่อาจเลือกคนใหเหมาะสมกับงานได้ เช่นต้องการจะถางป่าแต่คนโทรสัจจริตไม่มีมีแต่คนราค่าจริตซึ่งไม่เหมาะกับงานบุกเบิกอย่างนี้เป็นความจำเป็นแต่ก็มีวิธีพลิกแพลงอยู่บ้างเปลี่ยนรูปคำสั่งมอบงานเสใหม่เช่นแทนที่จะสั่งว่าจงปราบป่านี้ให้มันราบเรียบมันจะได้ไม่เกะ ก, กะลูกในตาก็เปลี่ยนเป็นว่าจงถางป่านี้ออก ให้เราได้มองเห็นวิวอันสวยงามฝากทางโน้นดังนี้เป็นต้นท่านคงจะไม่ลืมว่างานนั้นท่านเองเป็นคนบรรดานจะไปเคี่ยวเข็นให้เขาเหมาะกับงานของท่านทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปได้แน่และง่ายก็คือพลิกแปลงงานให้เหมาะกับคนโดยไม่ให้มันเกิดความเสียหายอย่างใดงานก็จะได้และท่านก็จะ เข้าไปนั่งในหัวใจของเขาอีกด้วยวิธีทําให้คนได้ทํำงานเหมาะกับจริตของเขานี้ที่แท้ก็คือให้เขาได้เล่นกับตัวเขาเองวิธีที่5จงสนใจสิ่งที่เขาต้องการแสดงในวงเล็บหรือจงให้เขาได้เห็นเงาหน้าของเขาเองคนเราแต่ละคนมีจุดที่ต้องการแสดงอยู่คนละอย่าง2อย่าง เป็นสิ่งที่เขาต้องการคิดถึงต้องการแสดงต้องการให้ใครๆรู้เช่นมีเมียที่น่ารักมีผัวชื่อเสียงโด่งดังมีลูกที่เรียนหนังสือเก่งมีบ้านงามมีรถเก๋มีกล้องถ่ายรูปทันสมัยมีพระบูชาศักดิ์สิทธิ์มีพระเครื่องเก่าหายากมีสุนัขแสนรู้และอื่นๆบางคนต้องการแสดงความยากจน ต้องการแสดงอาการป่วยและอื่นๆอีกแยะบางทีเราจะรู้สึกรำคาญที่เขาพูดร่ำไรอยู่กับเรื่องของตัวเองอย่างซ้ำๆซักๆและนั่นแหละเป็นความสุขใจของเขาคนเช่นนี้จะรักทุกคนที่สนใจกับเรื่องที่เขาแสดงและขอบคุณผู้ที่รู้สึกเป็นห่วงในสิ่งที่เขารักด้วยเช่นถามถึงครอบครัวถามถึงสุขภาพของเขา การเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงสิ่งที่เขาต้องการก็คือเรายกกระจกเงาไว้ให้เขาได้เห็นเง า, นาหน้าของเขาเองวิธีที่6สร้างกระแสจิตมีอำนาจลึกลับมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งซึ่งครอบคลุมสังคมมนุษย์คืออำนาจทางใจข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปนั่งบำเพ็ญตบะให้เกิดมีริดหรือเสก เป่าปล่อยผีปล่อยพลายให้คนมาหลงไหลไฝ่ฝันอย่างนั้นหาไม่ได้แต่ความจริงในชีวิตของคนเรานั้นยังมีทางที่จะสัมผัสกันได้อยู่อีกทางหนึ่งคือทางกระแสจิตข้าพเจ้ายังไม่พร้อมที่จะเพิ่มเติมข้อความในหนังสือเล่มนี้ให้ยืดยาวออกไปอีกซึ่งจะทําให้เสียรสแต่ก็ไม่อาจที่จะทาให้หนังสือเล่มนี้ต้องบกพร่อง เพราะขาดสาระสำคัญที่น่าเสียดายคือการครองใจคนอื่นด้วยกระแสะจิตของเราถ้าไม่พูดถึงเรื่องตรงนี้ไว้แล้วก็จะกลายเป็นว่าข้าพเจ้าได้จงใจทำแหวนไม่มีหัวให้ท่านใช้หรือจงใจสร้างโบสถ์ที่ไม่มีช่อฟ้าใบรากาให้เสียศิลปะตามปกติคนเราทุกคนมีกระแสะความคิดสร้างออกจากตัว ตลอดเวลาคิดและในขณะเดียวกันกระแสะความคิดของคนอื่นก็จะแผ่ซ่านไปถึงกันอยู่เสมอเหมือนแสงสว่างที่พุ่งออกจากโคมแต่ละดวงเข้าประสานกันนั่นเองความจริงอันหนึ่งจึงมีซ้อนขึ้นอีกว่ากระแสะที่ส่งออกจากจิตแต่ละดวงนั้นมีชนิดและกําลังต่างกันบางคนกระแสะจิตแข็งมากบางคนอ่อนมากบางคนกระแสะจิตร้อน บางคนกระแสะจิตเย็นถ้าท่านจะให้ความสังเกตเพียงไม่มากนักเวลาเข้าไปพบปะกกับใครๆก็พอที่จะสังเกตได้โดยสังเกตที่จิตของเราเองว่ากระแสะจิตของผู้นั้นมีความเยือกเย็นหรือร้อนคนที่มีกระแสะจิตร้อนมักจะเนื่องจากมีความมุ่งร้ายต่อคนอื่นอยู่ในจิตใจคนประเภทนี้ชนสมรรถภาพอยู่ในตัวในการครองใจคนอื่น คนที่จะส่งกระแสจิตครองใจคนอื่นได้เฉพาะผู้ที่มีกระแสจิตเยือกเย็นเท่านั้นจะทำได้โดยการสร้างความหวังดีอย่างจริงใจไปยังคนอื่นในทางกระแสความคิดและพยายามทาให้ติดเป็นนิสัยมีหลายคนที่ทราบว่าได้มีประชาชนสนใจในการแสดงปฐาฐกถาและการบรรยายธรรมะของข้าพเจ้าอย่างเกินคาด แต่ก็น้อยคนหรืออาจาไม่มีใครเลยที่ทราบว่านอกจากวาทาของข้าพเจ้าและรถของพระธรรมแล้วยังมีอำนาจลึกลับอยู่อีกอย่างหนึ่งช่วยเหลือให้ได้เกิดความสำเร็จดังกล่าวผู้ที่รู้ดีเหมือนจะมีอยู่คนเดียวคือตัวข้าพเจ้าเองอำนาจนั้นเกิดจากข้าพเจ้าแผ่เมตตาส่งความหวังดีไปยังมหาชนอยู่เสมอและก่อนแสดงปากฐกถา ก่อนอบรมคนอื่นรวมทั้งก่อนพูดออกอากาศในห้องส่งกระจายเสียงประมาณ1ิบวินาทีข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ใจของข้าพเจ้าทำงานอย่างอื่นเลยแม้แต่การนึกถึงตัวเองและคำที่พูดมีแต่อธิษฐานใจขอให้ผู้ฟังมีความสุขความเจริญอย่างจริงใจเท่านั้นสาหรับท่านที่คุ้นกับการฟังบรรยายของข้าพเจ้าคงจะสังเกตได้ว่า ข้าพเจ้าได้ขึ้นต้นคำบรรยายว่าขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพดังนี้เสมอคำพูดนี้มีใช่พูดตามธรรมเนียมของการแสดงแต่เป็นการพูดออกจากใจจริงของข้าพเจ้าต่อจากการอธิษฐานดังกล่าวนั้นทุกครั้งตัวอย่างข้อบอกพร่องเล็กๆน้อยๆ 1. ชอบปฏิเสธปฏิเสธหมายความว่าบอกปัด ในภาษาไทยใช้คำว่าไม่เช่นไม่มีไม่ได้ไม่ทันไม่เอาและอื่นๆคนที่มีนิสัยปฏิเสธมากเกินไปมักจะเป็นคนบกพร่องในการครองใจคนอื่นโดยไม่รู้ตัวทั้งนี้หมายความว่าการใช้คำว่าไม่ทันทีที่ตนได้รับคำสั่งมอบงานหรือการขอร้องการพูดคำว่าไม่ทันทีในกรณีดังกล่าว เป็นการทำลายความหวังของอีกฝ่ายหนึ่งวิธีแก้จงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำปฏิเสธต่อความหวังของคนอื่นในทันทีให้มากที่สุดโดยวิธีเบี่ยงเบนเอาคำปฏิเสธไปไว้ท้ายประโยคตัวอย่างเช่นมีใครพูดขอร้องว่าคุณขอฝากจดหมายนี้ไปให้คนที่ราชบุรีหน่อยเถอะเราจะปฏิเสธเพราะเราไม่ได้ไปราชบุรี แต่แทนที่จะพูดว่าไม่ได้เพราะผมไม่ได้ไปราชบุรีแต่แต่งคำพูดเสียใหม่อย่าขึ้นต้นด้วยคำว่าไม่พูดเสียว่าขอโทษผมจะไม่ไปราชบุรีจึงรับฝากไม่ได้ดังนี้เป็นต้นผลของการครองใจคนจะตากกันอย่าลืมว่าการใช้คำว่าไม่เป็นการคลายเงื่อนไมตรีสอง ทักทายทีหลังเมื่อพบปะกับมิตรผู้ทักทายก่อนย่อมได้เปรียบในการครองใจคนที่ทักทายมิตรทีหลังหรือช้าเกินไปเหมือนคนที่ให้เพื่อนฝูงกินผักที่เหี่ยวแม้จะได้รักก็หยดรสผู้ที่ครองใจมหาชนได้ดีถึงชั้นมหาบุรุษท่านว่ามีลักษณะสองอย่างคืออุตานามุขีหน้ายิม้มปบะพาซี ทักทายก่อนแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูตามมาตาเรือกาละเทศะอย่าให้เสียประเดี๋ยวจะถูกหาว่าทะลึง่ง 3. คุยข้อบกพร่องของเขาคนเราทุกคนจะต้องมีข้อบกพร่องอยู่ในตัวเสมอเช่นเคยถูกลงโทษเคยแพ้เคยสอบตกเคยล้มเหลวและอื่นๆเป็นจุดที่เขาไม่อยากพูดถึงไม่อยากคิดถึง มีแต่ต้องการปกปิดและคอยให้ลบเลือนไปจากความทรงจําแต่มีคนบางคนชอบส ก, กิดหรือคุยเขียข้อบกพร่องนั้นจะด้วยต้องการอวดความจําหรืออวดรู้แล้วเวลาคุยก็คุยขึ้นฝ่ายเจ้าของความบกพร่องก็จะแ้งทำเป็นสนุกสนานไปด้วยเพื่อรักษามารยาทแต่ใจจริงแล้วย่อมมีความกระดาษขุยเขินเหมือนถูกขวนแผลเก่า ให้เลือดออกนะักครองใจคนจะต้องหลีกเลี่ยงการคุยความบกพร่องของคนอื่นเสียทั้งนี้นํามาแสดงพอเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าข้อบกพร่องเล็กน้อยเช่นนี้เป็นเครื่องบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการครองใจคนอื่นลงโดยไม่รู้ตัวพุทธวิธีครองใจคนจบ